วิตากามิถาตัสสะชันตุโนดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลที่มีสันดานอันกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกย่ำยีบีทาลุอำนาจแกอากุศลทั้งสามมีจิตหนาไปด้วยราคะสุภานุปัสสิโนมีปกติพิจารณาซึ่งอารมณ์ถือเอาสุภานิมิตว่ารูปทรงสรีราพยบนั้นงาม คือเอาอนุพยัญชนะเรียกชื่อว่าเนธงามเป็นอาทิพินโยตันหาประวัติติย่อมมีกระแสแห่งตันหาเจริญพินโยภาพธรรมดาว่าบุคคลที่มีสันดานอันหนาไปด้วยราคะพิจารณาเห็นว่างามว่าดีในเบญจา ก, กามคุณทันหังกรโรติจัดได้ชื่อว่ากระทำบวงใส่ตัวเองร่วมมัดตัวเองดักตัวเอง จัดได้ชื่อว่ากระทำเครื่องจำอันมั่นใส่ตัวเองเพราะเหตุตามใจตนและสละจิตไปในที่พิจารณาสุภานิมิตว่ารูปทรงอันเหมาะอันดีนั้นพิกเวดูก่อนพิคูทั้งหลายวิตกูปสัสมจโยระโตวงแห่งมารกล่าวคือตัญหาอันผูกมัดรัดเรึงสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภูมิกวัฏ เห็นปานชะนี้ถ้าบุคคลผู้ใดปรารถนาจะตัดรอนให้เด็ดขาดสาบสูญอสุพังภาวายติสถาบุคคลผู้นั้นพึงเจริญซึ่งอสุภาพภาวนาระงับดับเสียซึ่งมิชาวิตกอย่างปฐมฌานให้บังเกิดตั้งสติให้มั่นเป็นนิจานิรันอย่าได้ลืมสติในที่เจริญอสุภาก ร, รมฐาน มีอุทูมาตกะกรรมฐานเป็นอาธิมีอติกะกรรมฐานเป็นปริโยสารพึงพิจารณาเอาซากอสุภะที่ขึ้นพองนั้นเป็นอารมณ์ถ้ามิฉนั้นก็พึงพิจารณาเอาซากอสุภะที่เขียวเป็นอารมณ์ถ้ามิฉนั้นก็พึงพิจารณาเอาซากอสุภะที่มีปุบโพอันไหลออกมาจากทวารทั้งเก้านั้นเป็นอารมณ์ ทศวิธังอสุภกรรมฐานังอสุภกรรมฐานทั้งสิบประการนั้นตามแต่จะพิจารณาเถิดไม่สังกัดเฉพาะให้พิจารณามิได้ยัตถาอัชาสเสยนะอัธยาัยชอบพิจารณาซึ่งอสุภกรรมฐานอันใดก็พึงพิจารณาซึ่งอสุภกรรมฐานสิ่งนั้นเมื่อมีสติผูกพันเอาอาสุภะกรรมฐานเป็นอารมณ์อยู่ดังนี้แล้ว จิตที่พิจารณาเห็นเบญจขันธ์ว่าเหมาะว่าดีนั้นก็จะปราศจากสันดานจะเห็นชัดว่าเบญจขันธ์ไม่เหมาะไม่ดีเป็นเครื่องอสุจิอสุพังเป็นเครื่องเน่าเครื่องเปื่อยเครื่องถมแผ่นพัสุทาหาแก่นสารมิได้เห็นปานดังนี้แล้วก็ให้จําเริญอสุภาคกรรมฐานภาวนาเป็นลําดับขึ้นไปตราบเท่าได้สําเร็จพระอรหันต บวงคือตันหาขาดการใดก็จะสิ้นทุกสิ้นภัยในวัตาสงสารในการเมื่อนั้นนักปราชผููมีดำเนินญาณปรารถนาจะพิจารณาให้เห็นอสุจิอสุพังในรูปกายแห่งบุคคลผู้อื่นปรารถนาจะระ ง, งับราคะซึ่งบังเกิดเผาผลาญในจิตตสันดานแห่งตนนั้นก็พึงพิจารณาว่ารูปกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะแปรปรวนเป็นอันนิจจงไม่ได้ตั้งอยู่เป็นอันเที่ยงแทรูปกายที่นายช่างเรือนคือตันหาตกแต่งยกขึ้นซึ่งอัฐิสามร้อยท่อนกำบังไว้ด้วยผิวหนังและมังสะประดับไปด้วยวัฒนาลังการสัพพะพรันวิจิตบรรจงยิ่งนักต่างๆพิจารณาดูแต่ภายนอกนี้ เห็นประหนึ่งว่า ง, งดงามเพราเพลิดเฉิดชัยนักนาอานิจจาที่แท้นั้นเป็นเครื่องเปือยเครื่องเนา่าเครื่องอสุจิอสุพังทีเดียวแท้จริงข้างภายในกราชกายแห่งสัพพสัตทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยมูดและคูดเสมหะมันเหลวและมันข้นระคนติดอยู่ทุกแห่งทุกตาบลปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนักเปรียบประดุดดังฝีใหญ่ อันเต็มไปด้วยบุพโภคือหนองและโลหิตประกอบไปด้วยบาดแผลนั้นเก้าแห่งเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ชอบใจแห่งมหาชนทั้งปวงแต่บรรดาที่มีจิตตสันดานเป็นอันพานปราศจากสติและปัญญาหนาไปด้วยกิเลสอาตุรังรูปกายนี้ได้ชื่อว่าไข่ยอยู่เป็นนิดป่วยอยู่เป็นนิดเหตุกายนี้ เป็นที่ประชุมอยู่แห่งกองทุกบุคคลจะรักษากายนี้ต้องรักษาอยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันไม่ว่างไม่เว้นโดยที่สุดแต่นั่งอยู่และนอนอยู่ก็วิงเวียนต้องเปลี่ยนอิริยาบถสิ้นการทุกเมื่อถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็จะเจ็บไข้ ย, ยอกเสียดเมื่อยขบลำบากเวทนามีราการต่างๆเหตุดังนั้น รูปกายนี้จึงได้ชื่อว่าไข่อยู่เป็นนิจจานิรัน์พึงพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมสังเวเทเถิดรูปกายนี้จะผุพังจะทำลายเรี่ยรายเป็นเครื่องทมพัสสุธาหาแก่นสารมิได้ปริชิ น, นะมิถังรูปปังโรคานิทงังแท้จริงรูปกายนี้ย่อมมีสภาวะครั่งคร่าซูบซีดเหี่ยวแห้ง จะได้สดได้ชื่นอยู่เป็นปกตินั้นก็หามีบ่ไม่ได้เมื่อถึงมหลัล ก, กะแก่ชราลงแล้วก็ปริวิตกแปรปรวนไม่ยั่งไม่ยืนเกสาที่ดำก็กลับขาวจักขุที่แจ่มใสนั้นก็บังเกิดมืดโสตประสาทที่ว่องไวก็กลับตึงกลับหนักไปสารพัดจะแปรปรวนทุกประการโรคะนิทัง รูปกายนี้เป็นที่อยู่แห่งโรคต่างๆเป็นที่เกิดแห่งอาพาธป่วยเจ็บมีประการต่างๆเป็นเครื่องเน่าเครื่องเหม็นเครื่องเปือยเครื่องพังควรจะสงสารสมเพศเวทนาในอัรถกถาขยายความว่าอยังกายโยกายนี้ถึงจะตั้งอยู่ในปฐมวัยยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ดี พึงจะประสูตรจากคันมรดาได้วันหนึ่งสองวันมีสีสันพันละอันงามดุดดังสีทองก็ดีสมเด็จพระชินสีสัมมาสาัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเครื่องเน่าเครื่องเปื่อยเครื่องผุเครื่องพังด้วยอัตถาว่ากายนี้เป็นที่สันทนาการไหลหลังทางออกมาแห่งอสุจิลามกมีประการต่างๆ อย่างกายโยกายนี้มีสภาวะเกิดมาแล้วก็จะพึงทําลายเป็นอันแท้จะมั่นคงยั่งยืนอยู่นั้นก็หามิได้เหตุฉนี้ถึงจะยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ดีจะพึงประสูติวันหนึ่งสองวันมีพรรณะดังทองก็ดีสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นเครื่องเน่าเครื่องเปื่อยเครื่องผุเครื่องพัง เปรียบดุลโลกโวหารเรียกร้องสุนัขจิ้งจอกว่าชราสิงคาโลสุนัขจิ้งจอกถึงจะยังหนุ่มยังน้อยยังเล็กยังอ่อนพึงจะสอนเดินสอนย่างสอนเห่าสอนหอนได้ก็ดีโลกทั้งหลายก็เรียกว่าชราสิงคารด้วยกันทั้งสิ้นมิใช่หรือจะได้เฉพาะเรียกว่าชราสิงคารแต่สุนัขจิ้งจอกแก่นั้นก็หาไม่ได้อันนี้แหละมีชั้นใด อุปมาัยดังกายนี้ถึงจะยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ดีพึงจะประสูติได้วันหนึ่งสองวันก็ดีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย่อมตรัสเรียกว่าเครื่องเน่าเครื่องเปื่อยเครื่องผุเครื่องพังพระพุทธดีกาตรัสเทศนาว่ากายเป็นที่สันทนาการไหลออกแห่งอสุจิจากทวารทั้งเก้าแต่ล้วนเป็นเครื่องเน่าเครื่องเหม็นเห็นสภาวะปานชนี ยอมจะถึงซึ่งแตกทำลายเป็นอันรวดเร็วฉับพลันจะได้เนื่นช้านั้นก็หามีได้มรณะติโกชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้มีมรณะเป็นที่สุดเกิดมาแล้วผู้ใดผู้หนึ่งจะพ้นมรณภาพนั้นก็หาบอมีได้ยอมจะถึงแก่มรณภาพนั้นเหมือนกันสิ้นทุกรูปทุกนามยามิมานิอวัฏฐานิ อาลาวูเนวะสารเถซากอสุภะอันบุคคลนำมาทอดทิ้งไว้ในที่ทั้งหลายมีต้นว่าป่าชัดละป่าช้าที่ถึงซึ่งสภาวะเปลือยเน่าสุดโสมลงแล้วและมีอัฐิเรี่ยรารงกระจัดกระจายอยู่นั้นเพื่อพิจารณาดูอัฐิเหมือนเปลือกน้ำเต้าในสารทการสมัยธรรมดาว่าเปลือกน้ำเต้านั้นก็เรียกว่าช้าแตก อันทอดทิ้งกลิ้งอยู่เหนือพื้นเมทนีดนในเทศกาลเดือนอ้ายเดือนยี่ต่อกันเรียกว่าสรรทการสมัยครั้นถูกต้องวาตพลาหกพระภายชายพัดก็ถึงซึ่งภาวะกลิ้งไปกลิ้งมากระจัดกระจายเรี่ยรายอยู่ในที่นั้นที่นั้นกาโปตกานงและอัฐิที่เรี่ยรายกระจัดกระจายอยู่นั้นมีพันนาดุดสีแห่งนกพิราบ ควรจะอนิจจังสังเวชนิยนักหนาตานิตทิสวาท่านทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาเห็นว่ารูปกายเป็นร่างอาัตถิพึงเกลียดพึงชังเห็นสภาวะปานดังนี้ดังรือเล่าจะมายินดีด้วยรูปกายดังรือจะมารักมาใครมาอะไรอยู่ในรูปกายนี้เล่าอัตถินังนครังกะตัง มังสะโลหิตาเลปนังแท้จริงกายนี้เป็นที่ประชุมอยู่แห่งชรามรณะเป็นที่ประชุมแห่งมานะและมัคขะอันมีลักษณะให้ยกยอตนและลบหลู่คุณท่านผู้มีคุณใช่แต่เท่านั้นกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งโรคาพยาธิอาพาธป่วยไข้มีประการต่างๆจะมีอุปมาชั้นใด อุปมาไมดังยุงและฉางอันบุคคลกระทําไว้เพื่อจะใส่ซึ่งเข้าสุกเข้าสารถั่วงาสาคูเป็นตน้นธรรมดาว่ายุงและฉางนั้นกระทําสําเร็จแล้วด้วยไม้และหวายชนทั้งหลายเอาไม้ต่างๆยกขึ้นและผูกด้วยหวายถักด้วยหวายทาด้วยดินมีให้รั่วได้ครั้นแล้วก็ขนเข้าเปลือกเข้าสารถั่วงาสาคูใส่ไว้ตามความปรารถนาแห่งตน ยะถาอันนี้แหละมีอุ ป, ปมาชั้นใดอุปไัยด้วยยุ้งและช้างกล่าวคือรูปกายนี้ก็สําเร็จไปด้วยไม้กล่าวคืออัฐิสามร้อยท่อนผูกด้วยไหวคือเอ็นน้อยและเอ็นใหญ่ทาด้วยดินกล่าวคือมังสะอันชุ่มไปด้วยโลหิตปิดบังไว้ด้วยเครื่องปิดและเครื่องบังกล่าวคือผิวหนัง ใส่ไว้ซึ่งข้าเปลือกและเข้าสารถั่วงาสาคูเป็นต้นกล่าวคือความแก่ความชราโรคาพยาธิและความมรณะและมานะและมักขะอากุศลละธรรมอลามกทั้งปวงมีประการต่างๆบัณฑิตผู้มียา น, นักติพึงพิจารณาดูให้เห็นอนิจจังสังเวทเนื่งเนืองเถิดอยังกาโย ο, กายนี้เป็นที่ใส่ไว้ซึ่งกองทุกกองภัย เป็นที่ใส่ไว e ้ซึ่งโรคาพยาธิป่วยไข้มีประการต่างๆสารพัดที่จะชั่วสารพัดที่จะลามกสารพัดที่จะเป็นเครื่องเน่าเครื่องเปื่อยเครื่องเหม็นเครื่องปฏิกูลนั้นย่อมสะสมเพิ่มเติมอยู่ในรูปกายนี้สิ้นเมื่อวิจารณะปัญญาที่จะพิจารณาโดยละเอียดนั้นมิได้มีก็เห็นไปว่างามว่าด <ED> ี มีความปรารถนาปราลบตามประเพณีคดีโลกมีได้เห็นอนิจจังสังเวทในรูปกายเพราะเหตุหาวิจารณะปัญญามิได้เมื่อมีวิจารณะปัญญาโดยละเอียดแล้วหน้าพึงเกลียดพึงชังหน้ามีความสมเพเทเวทนามัตตตังนัตถิแต่บรรดาอาการทั้งปวงซึ่งมีในรูปกายนี้ จะเลือกเอาที่ดีที่ควรจะเชื่อถือเอาเป็นแก่นสารนั้นเลือกหาไม่ได้แต่สักสิ่งเดียวนี่แหละจะลุ่มลงมารักมาใครจะมาถือเอาว่างามว่าดีในรูปในกายนี้มีบางควรนักหนาชรันติเวราชราัฐาแท้จริงขึ้นชื่อว่ากระชกายนี้ย่อมมีสภาวะแก่เท่าชราคร่ำคร่าลงทุกวันทุกเวลา มีอุปมาดุจราชรถอันประกอบไปด้วยเครื่องรถอันพิจิตถึงซึ่งคล่ำคราแก่เก่าลงธรรมดาว่ารถอันกระทาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นั้นยอมประกอบไปด้วยสีสันพันณนะอันงดงามวิจิตเป็นที่เจริญใจแห่งบุคคลทั้งปวงเพราะเหตุสีชาสีทองนั้นยังสดยังชื่นอยู่ยังไม่กล่ำไม่ดำลงหาไม่ได กรนกกระนาบตาบถวยกระจังตั้งกระจังห้อยรักร้อยเครื่องบางเครื่องอลังการทั้งปวงนั้นเล่าก็ยังไม่เศร้าซีดยังสละสลวยยังไม่หักไม่พังยังไม่บินไม่ลิยังไม่ลุยไม่หลุดยังมีแง่มีงอนอยู่ยังงามเปล่าเพลิดอยู่จึงเห็นงามภัยจิตพิสดารเป็นที่เฉลิมเจิมใจแห่งบุคคลทั้งปวงราชรสที่กระทำใหม่งดงามเห็นปานดังนั้น ถ้าบุคคลเอามาขับขี่ใช้มาโน่นมานี่เป็นหลายครั้งหลายทีเข้าแล้วก็จะหักจะคานจะเศร้าจะมองจะบินจะลุยจะหลุดจะคร่ำคร่าลงทุกครั้งทุกทีอันนี้หละมีชั้นใดอุปมาดังกราชกายราชรถกล่าวคือกรัชกายนี้เมื่อชราธรรมมาตามเบียดเบียนย่ำยีแล้ว ก็ถึงซึ่งสภาวะคร่มคร่าเหี่ยวแห้งวิกลวิปริตตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอบผิวหนังหดหูเรียวแรงถดถอยน้อยกำลังลงไปแปรปรวนไปทุกวันทุกเวลาโล ก, กุตระธรรมโมณันะชรังอุเปติแต่พระโล ก, กุตระธรรมก้าประการคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่แหละไม่รู้แก่ไม่รู้ชรา ไม่รู้วิปริตแต่ซักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยมีแต่จะให้เป็นสุขสวัสดีสถาวรในกมลหาฤทัยและสัตว์บุรุษทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานย่อมโถมานาการสรรเสริญพระนวะโลกุตรธรรม9้าประการนี้ว่าล้ำเลิศประเสริฐเป็นที่สุขเกษมปราศจากทุกข์และอุปัทวะอันตรายทั้งปวง บุคคลที่ได้สําเร็จพระนวะโลกุตระธรรมนั้นย่อมมีสันดานประกอบไปด้วยความสุขปราศจากพยาบาทปราศจากเดือดร้อนไม่ขวนขวายในเบญจากากรรมคุณย่อมเป็นสุขในกายและจิตมีความพาสุขสบายทั้งกายและจิตบุคคลที่เป็นปุถุชนยังประกอบด้วยความสุขขวนขวายในเบญจากามคุณอยู่ ย่อมประกอบไปด้วยความทุกข์เดือดร้อนในกายและจิตหาความสุขสบายในกายและจิตมิได้เหตุใดเหตุว่าทุกโศกโรคภัยความสะอื้นอาลัยทั้งปวงจะบังเกิดนั้นย่อมบังเกิดแต่กามคุณกามโตชายเตพยังแท้จริงความโศกเศร้าโศกาอาลัยร่ำไรให้สะอื้นซึ่งจะบังเกิดแก่บุคคลนั้น ย่อมบังเกิดด้วยเหตุขวนขวายสแสวงหากิเลสกามและภัสดุกรรมนั่นแหละเป็นเดิมถึงภัยอันตรายต่างๆเป็นต้นว่าราชภายัยโจรภยัยอักขีภยัยอุท ก, กภยัยซึ่งจะบังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายในปริมณฑลแห่งไตรภพนี้ที่จะเกิดด้วยเหตุสิ่งอื่นๆ น, นั้นหามิได้ย่อมบังเกิดแต่เหตุที่สแสวงหากิเลสกรรมและภัสดุกรรมนี้แหละ เป็นต้นเป็นเดิมขึ้นชื่อว่าตัณหาความปรารถนาการมคุณสแสวงหากิเลสกรรมพัสดุกรมแล้วก็น่าที่จะมีแต่ความทุกข์ความโศกสะอื้นอาลัยภายอุปัตถวอันตรายต่างๆเหตุนี้บุคคลที่มีปัญญาพึงอุตสาหทรมานกายทรมานจิตให้บางเบาบรรเทาจากความปรารถนาในการมคุณ อย่าลงรักลงใครในการมาคุณพึงกระทําสันดานให้ปราศจากการขวนขวายในกิเลสกรรมและภัสดุกรรมนี้เถิดจึงจะเอาตัวรอดได้เมื่อสันดานปราศจากเอื้อเฟื้ออาลไลมิได้ขวนขวายในกิเลสกรรมพัสดุกามความโศกเศร้าโศกาอาไลร่ำไรให้สะอื้นและทุกทั้งปวงก็จะสิ้นสูนระ ง, งับดับไปเป็นอันแท้ ถ้าหาความประพฤติขวนขวายไม่ได้ไม่รักไม่ใคร่ไม่เอื้อเฟื้อที่จะสแสวงหากิเลสกามและพัสดุกรรมแล้วความโศกเศร้าโศกาอาลัยร่าไห้ให้สะอื้นทุกภัยทั้งปวงจะบังเกิดแต่ที่ดังรือเล่าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกภัยทั้งปวงอันบังเกิดนั้นย่อมบังเกิดแต่ความรักในกิเลสกามและภัสดุก ร, รม เห็นปานชนี้แล้วและมีความปรารถนาจะล่าเสียซึ่งความรักในกิเลสกรรมและภัสดุกรรมนั้นก็พึงพิจารณาซึ่งโทษตามนัยยะอันมีในกุณาละชาดกที่พระยาวแรงแสดงโทษแห่งมาตุคามในที่เฉพาะหน้าแห่งพระยานกดูเวา่ากล่าวพระคาถาว่าบุญนางปิเปมังปัตวีทเนนะอธิบายว่า ธรรมดาว่ามาตุคามนี้ถึงบุรุษจะรักใคร่จะนับถือจะยกแผ่นปัตภีอันเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมอบเวรให้มาตุคามนั้นถึงซึ่งอิสระภาพเป็นใหญ่ในพื้นปัตภีถึงธนุบำรุงถึงเพียงนี้ก็อย่าพึงสำคัญมั่นหมายว่ามาตุคามนั้นจะไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนอัตมาอย่าพึงหมายดังนั้นพึงสันนิฐานเถิดว่า มาตุคามนั้นจะเคารพยามเกรงอยู่แต่ในการอันยังมิได้ถึงขณะขะนังลัทธาถ้าได้ขณะชอบทวงชอบทีเห็นจะคมจะขี่จะคมเหงได้แล้วหน้าที่มาตุคามนั้นก็จะกระทําซึ่งสิงหนาฏกราดเกลียวคมขี่บุรุษที่ยกสมบัติในพื้นปัตตภีให้แก่ตนเป็นอันเที่ยงแท้อย่าหลงไหลไปเลยว่า มาตุคามนั้นจะไม่ขมขีเหตุฉะนั้นผู้มีปัญญาอย่าพึงวิสาสะอย่าพึงไว้เนื้อเชื่อใจแกมาตุคามนั้นธรรมดาว่ามาตุคามทั้งปวงนี้ถึงสามีที่หนุ่มรูปร่างนั้นเหมาะงามบริบูรณ์ด้วยสมบัติประกอบด้วยอุทานะวิริยะไม่เกียจคร้านรักใคร่กันนั้นไม่เบื่อไม่ไน่ายจิตนั้นไม่ห่างจากความรักชอบเนื้อเจริญใจกันเป็นที่ยินดี ถ้ามีอันตรายมาถึงฉุกเฉินลงด้วยอันตรายอันใดอันหนึ่งแล้วมาตุคามนั้นก็จะเหินห่างทิ้งคว้างร้างอย่างเสียมินาพึงนาพาเหตุชะนี้ผู้มีปัญญาอย่าพึงลุ่มหลงอย่าไว้เนื้อเชื่อใจแกมาตุคามจะนำซึ่งทุกภัยอันตรายทั้งปวงมาให้แกอัตมาพึงอุตสาห์ปฏิบัติขจัดเสียซึ่งความรักใคร่ในมาตุคาม พึงบรรเทาเสียซึ่งตัณหาคือความปรารถนาในกิเลสกรรมและพัสดุกรรมอันเป็นรากเหง้าข้ามูลแห่งความทุกข์ดุดพรนานามาแล้วตลังวิสัชนาในทุกข์าสมุทยะอริยสัจที่สองสิ้นความแต่เท่านี้